ใครที่เวลาปฏิบัติเนี่ยมันซึมหรือว่ามันเข้าไปอยู่ในผวังของสมาธิไม่สามารถที่จะมาดูสติปัญสี่หรือมาดูขันห้าได้ไม่ต้องหลับตาลืมตาภาวนาแล้วก็ให้จิตเนี่ยมันอยู่ข้างนอกไม่เข้าไปข้างในไม่ให้จิตเข้าไปแช่เข้าไปนิ่งเข้าไปแช่เนี่ย มันก็ไปสร้างภพสร้างชาติเหมือนกันนะตายในขณะที่จิตแช่จิตที่อยู่ในภาวะวังเนี่ยก็คือไปเกิดเป็นพรหมพรหมมลโลกพรหมมลโลกนี่เขามีพรหมวิหารคือมีความสงบอยู่กับความสงบไม่มีปัญญามีความสงบแต่กิเลสอื่นก็ยังอยู่นะพรหมบางองค์มันณะออืืหตัวตนสุดๆเลยนะ พระพุทธเจ้าต้องไปทรมานเลยอะถึงได้ล้างไอ้มานะไอ้ทิฏฐิของเขาได้จิตน่ะนิ่งอยู่แต่ว่ากิเลสมันก็นอนเนื่องอยู่เพราะว่ามันไม่ได้มาดูความจริงว่าจริงๆอะตัวเรานะ่ะมันไม่ได้มีแต่ว่าทีนี้เวลาปฏิบนะัติน่ะจิตมันไปสงบมันไปนิ่งมันเหมือนมันไปแช่อยู่มันไปเข้าระวังอยู่ มันไปเข้าพวังอันนี้ก็แสดงว่าสมาธิน่ยมันมีกําลังแล้วมันไปครอบจิตไว้อินทรีย์มันไม่สมบูรณ์ไม่สมดุลสมาธิมันแรงพอในสมาธิมันแรงมันครอบงาจิตจิตก็ทําอะไรไม่ได้ตัวสมาธิมันจะเป็นนิ่งอย่างเดียวสมาธิมันบีบไว้เพราะนั้นทางออกก็คือไม่ต้องเข้าสมาธิไม่มันเข้าไปฝื้นสู้ ให้มันมาอยู่กับร่างกายนี้อยู่กับเวทนานี้หรือว่าดูจิตแต่ว่าดูแบบรู้รอบรู้ทั่วไม่ใชดูจิตแบบอารมณ์เดียวถ้าดูแบบอารมณ์เดียวแบบลึกเข้าไปไม่ได้มันเคยเดี๋ยวจะเข้าไปอยู่ในภวังอีกต้องไม่เข้าไปเลยอยู่ในอยายะบทเคลื่อนไหวเช่นเดินจงกลมหรือทางาน หรือว่าถ้านั่งก็ต้องนั่งเป็นแบบวิปัสนานั่งเจริญสติสัมปชัญญะสติความรู้ก็คือความรู้สึกตัวสัมปชัญญะก็รู้สึกตัวที่มันขยายตัวมากขึ้นกว้างขึ้นรู้หลอบหลอกเพราะนั้นต้องฝึกด้วยการให้จิตมันเคลื่อนตัวเคลื่อนไหวไม่ให้มันอยู่นิ่ง เพราะนั้นคนบางคนบางองค์เนี่ยท่านถึงเจริญใช้อาการ32ผมดูผมแต่ว่าจิตมันต้องอยู่กับผมก่อนผมมันรู้สึกว่ามันแน่วแน่อยู่กับผมได้แล้วก็ขยับจิตเคลื่อนไปอยู่กับขนขยับจิตไปเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไล่ไปเรื่อยบางทีก็ไม่ถึงแต่ต้อง32หรอก เอาสองสามอันก็ได้สี่ห้าอันห้าอันก็ได้ตะกะปัญจก ะ, กะกรรมฐานเนี่ยกรรมฐานห้าอย่างแล้วก็ทวนย้อนกลับมากสาโลมานะขาทันตาตาโจโ อ, อย่างเงี้ยอุปชาท่านสอนนะทัจโจทันตากีซาโลมานะขาทวนกลับคืนไปกลับไปกลับมากลับไปกลับมาหรือจะพูดเป็นภาษาไทยก็ได้แบบนี้คือให้จิตมันไม่เข้าไปถ้าเผลอมันเคยเข้ามันจะเข้า บางทีก็เผลอก็มีเข้าไปก็มีแต่ว่าเราก็ต้องพยายามเคลื่อนไหวหรือนั่งเนี่ยมันเจ็บไปเลยความเจ็บเนี่ยมันเจ็บมันแรงมันเจ็บเข้าไม่ได้อยู่กับความเจ็บอืดูเวทนาไปไปได้หรือดูจิตก็ต้องดูแบบเป็นแบบวิปัสสนาถ้าดูแบบสมถาก็คือเข้าไปจมเข้าไปจมเข้าไปแช่เข้าไปนิ่ง อันนี้ไม่นิ่งดูเห็นอาการของจิตเห็นว่ามันผ่านมาผ่านไปเนี่ยคือพยายามที่จะให้มันเห็นเป็นพัตไตลักษ์ไปแต่สําหรับคนที่จิตมันยังออกอยู่เอยอย่างนี้จะไปว่าเอ้ยเราก็จะเอาบ้างมันยังไม่ได้เพราะว่าสมาธิเรามันยังอ่อนจิตมันยังไหลออกมาอยู่ก็ต้องคุมจิตไว้ก่อนเนี่ยมันก็ต่างกันนะไม่ใช่ว่าจะต้องเหมือนกัน สำหรับคนที่รู้ตัวเข้าไปแล้วมันเข้าไปข้างในยิงมันเผอเข้าไปอย่างนี้ต้องฝืนเลยถ้ามันทําท่าจะไม่ไหวก็ลืมตาลืมตาแล้วเอาไม่อยู่ขยับกายบริหารกายขยับร่างกายเคลื่อนไหวนั่งเราก็ทําความเคลื่อนไหวได้ขยับกายส่วนใดส่วนหนึ่งให้จิตเราอยู่กับความเคลื่อนไหวนั้นแทนมันก็จะมีสติขึ้นมาอันนี้เราต้องการให้สติเนี่ย มันมีกำลังก่อนสติวิริยะพวกนี้พวกฝ่ายกำลังของจิตเนี่ยมีมีวิริยะมีความเพียรมีสติการเคลื่อนไหวหรือการเดินจงกรมประเภทเนี้ดูการเคลื่อนไหวของกายพวกสติพวกวิริยะเนี่ยความเพียรเนี่ยถ้าแบ่งเป็นสี่ส่วนความเพียรฝ่ายพวกสติฝ่ายวิริยะเนี่ยมันจะสามส่วนส่วนสมาธิหนึ่งส่วนการเดินจงกรมก็ตาม การนั่งเคลื่อนไหวอะไรก็ตามเนี่ยสมาธิไม่มากแล้วก็เป็นการคุมจิตไม่เข้าไปข้างในแต่ถ้านั่งแล้วก็ให้จิตมันไปอยู่กับอารมณ์เดียวถ้าเราไม่เคลื่อนไหวไม่ฝืนให้จิตมันมามองดูจเจริญสติปัฏฐานสี่หรือว่ามาดูขันห้าเนี่ยสมาธิมันสมส่วนความเพียรหนึ่งส่วนทีนี้สมาธิเรามันมากอยู่แล้วะมันครอบงําจิตอยู่แล้ว เหมือนมันล้นอยู่แล้วเกินอยู่แล้วเราก็อย่าเข้าไปถ้าสติดีไอ้ตัวนี้สติเนี่ยมันจะจัดแจงทุกอย่างมันจะคุมทุกอย่างได้เพราะนั้นสติมากไม่เป็นไรจเจริญเข้าไปเลยสติเนี่ยทำอะไรอยู่พยายามมีสติไว้พยายามไม่ใ่ไม่เกียนนะพยายามพยายามมีสติทำอะไรมีสติเดินมีสติทำการทำงานมีสติ ลรวกักษาจิตไปด้วยไม่ยินดีไม่ยินไลยพยายามปรับที่จิตเพราะหลักธรรมของมูทเทเจ้าหลักการปฏิบัตินี่เน้นที่รักษาจิตต้องมารักษาจิตสรุปลงตรงที่ว่าไม่ยินดีไม่ยินไลถ้าว่ามันไม่ยินดีไม่ยินไลแล้วมันก็รู้ตัวอยู่อะไรเกิดขึ้นรู้ทันอยู่อย่างนี้ถูกต้องเลยแต่ไม่ยินดีไม่ยินไลเดี๋ยวก็ผุบเข้าไปอีกอันนี้จาเป็นจะต้องฝืนและลุก ถ้าหนั่งแล้วเอาไม่อยู่เคลื่อนไหวอะไรแล้วขยับจิตแล้วเคลื่อนไวหวร่างกายบางคนเขาก็าใช้วิธีเคลื่อนไหวกายขยับไม้ขยับมือเพื่อให้จิตมันอยู่กับการเคลื่อนไหวแล้วเอาไม่อยู่ก็ต้องเปลี่ยนไปเดินเดินนี่มันก็เข้าไว้วังยากแต่บางคนเดินนี่ก็ยังเข้าอีกปุ๊บไปยืนนิ่งเยี่ยงกับไม้ที่มันตายแล้วอะยื่นิ่ง มันเข้ามันได้อีกอย่างงั้นก็ต้องออกกําลังกายเคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ยมันจะต้องค่อยแก้ไปตามลําดับลําดั บ, ด บ, ดบมันแก้ได้มีแก้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าความพยายามของเราที่จะแก้ไขนี่เรามีหลักนี่มีหลักมีหลักด้วยตรงหลักด้วยเพราะว่าในเมื่อสมาธิมันมากอยู่แล้วเราก็เวลาปฏิบัติเราก็ไปนเน้นสติเพราะสติยิ่งมากยิ่งดีไม่กลัวสติมากเนย สติตัวนี้มันจะคมุมพระพุทธเจ้าเนี่ยอินทรีห้าอินทรีห้ามันจะมีะสัตทินรีนี่หมายว่ามีศรัทธาศรัทธานี่คือน้อมดิ่งเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าในการตัดสัลุของพระพุทธเจ้าพรพุทธเจ้าสอนอะไรดิ่งเชื่อลงไปอันนี้เรี็วอ่าเป็นสัตทินรีมันทําให้จิตเนี่ยมันมีกําลังขึ้นมาเมื่อไม่มีสัตทินรีแล้วเมื่อมีมมวิริยินทรีย วันนี้เขาเรียกว่ามันมีความพยายามมีความเพียรความเพียรเบื้องต้นกับเพียรมีสตินี่แหละเพียรมีสติอย่างสติของเรามันก็มีพัฒนาการนะมันไม่ใช่ว่ามันจะอยู่กับที่นะสติเนี่ยสตินี้มันเหมือนกับมันค่อยเจริญเติบโตขึ้นอะสติตอนแรกก็สติเบื้องต้นนี่ก็โอ้ยนิดเดียวยังไม่มีกําลังอะไรพยายามควบคุมจิตไว้พอสติมันขยายตัวออกมาอีกก็กลายเป็นสติสัมปชัญญะ รู้ตัวมากขึ้นอีกต่อมาอีกเป็นสตินซีเป็นอินซีละทีเป็นใหญ่ในการรู้สึกตัวเวลามันเผลอปับ๊บมันจะปุ๊บมันจะทะลุเลยก้าวไปปับ๊บรู้เองเลยเราเหมือนกับว่ามันรู้สึกขึ้นมาเลยเราเดินไปอย่างนี้ปับ๊บมันจ่อเลยดูการก้าวไปเลยอันไหนเด่นปับ๊บดูปับ๊บนี่คือมันเป็นอินซีขึ้นมาแล้วมันมีกาลังขึ้นมาแล้วทำให้กำลังมากขึ้นอีก มันมันเรื่องมันลืมไปแล้วพอมีเหตุการณ์พับมันจะต้องนึกถึงเรื่องเดิมๆแล้วย้อนไปทบทวนแล้วเอ้ตอนนั้นน่ะเราเจตนาอย่างไงเราคิดอย่างไงเราเคยมีเจตนาอย่างไงเราเคยคิดอย่างไงเราเคยพูดว่ายังไงจะทวนไปดูเหตุการณ์สตินี่มันสามารถและลึกขึ้นมาได้ไปดึงมา ให้ความจำที่เกิดขึ้นแบบนี้เป็นจำแบบมีสติไม่ใช่จำแบบสัญญานะจำแบบสัญญาแค่นึกเรื่องเฉยๆแต่อันนี้สามารถไปล้วงไปล้วงเอาเรื่องราวในอดีตเรื่องที่เราเคยทำคำที่เราเคยพูดเจตนาที่เราเคยตั้งขึ้นมาสามารถล้วงไปดึงย้อนมาดูได้เอามาแล้วก็ให้จิตเนี่ยตรวจสอบดูว่าเราคิดยังไง เราพูดว่ายังไงมันนึกขึ้นมาได้มันก็เอามาใช้ประโยชน์ได้อ น, นี้เรียกว่าสติตัวนี้มันมีกำลังมากมันสามารถดึงเรื่องมาแล้วก็จับไว้ได้ด้วยนะจับอารมณ์ไว้ด้วยอย่างเช่นหมอหมอเนี่ยมีหมอกลุ่มหนึ่งเขาผ่าตัดสมัยนั้นก็เรื่องของการผ่าตัดเนี่ยเขาก็ศึกษามาแล้วก็พยายามพากันทำงานเป็นทีมาช่วยกันผ่าตัดแต่ว่าคนไข้เนี่ยตายทีนี้ พวกญาติพี่น้องของเขาเนี่ยเขาก็ตําหนิหมอว่าเป็นเหตุทําให้คนป่วยเนี่ยตายมีการถกเถียงกันว่าหมอเนี่ยทายํางานยังไงเขาก็ไปค้นคนวา้าปรากฏว่ามีหลักวิชาการที่มันดีกว่าวิธีที่หมอชายที่นี่หมอชายนั่นอะ่ะมันยังเป็นวิธีที่ยังล้าสมัยอีกก้าวหนึ่งมันมีวิธีที่นําไปอีก ถ้าใช้วิธีนั้นคนไข่น่าจะรอดเขาก็ถกเถียงกันหมอก็เสียใจมากเสียใจมากว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยทําให้คนไข้าตายในทีมก็เศร้าใจทั้งพยาบาลก็เศร้าใจเสียใจเขาก็มาหานะที่นี่มาเราก็ใช้หลักวิปัสสนาเนี่แหละว่าคุณหมอเจตนาของคุณหมอทั้งหลายเนี่ยในขณะผ่าตัด คิดยังไงอยากช่วยเขาหรือว่าอยากให้เขาตายอยากช่วยเขาแล้วความรู้ที่เอามาผ่าตัดเนี่ยในช่วงที่หมอผ่าตัดนั้นได้ทำดีที่สุดหรื อ, อยังเขาบอกโอ้ทำดีที่สุดแล้วหลักวิชาการที่เรียนมาที่ผ่าตัดกันก็คืออย่างนั้นหละแล้วไอ้หลักการที่เอามาบอกว่าการผ่าตัดของเราเนี่ยมันผิดพลาดมันล้าสมัยเนี่ยมันเผยแผ่ออกมานานหรื อ, อยัง เขาบอกโอ้เาพึ่งค้นคว้าขึ้นมามันใหม่แล้วก็ยังไม่ได้เอามาทดลองใช้ด้วยเอาถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเจตนาเราดีเราต้องการให้คนป่วยหายจริงไหมจริงทางพยาบาลอะไรด้วยที่ช่วยดมยาดมละลายเนี่ยตั้งใจทำเพื่อช่วยคนไข้ใช่ไหมใช่แล้วก็เลือกวิธีที่ดีที่สุดแล้วใช่ไหมใช่ถ้าอย่างนั้นก็เป็นเรื่องสุดวิสัยนี่แหละเป็นกรรมของคนไข้ ไม่ใช่เป็นความผิดของหมอแต่มันเป็นกรรมของคนไข้ทีนี้กรรมที่มันพัวพันกันมามันก็เลยเป็นเหตุทําให้หมอเนี่ยต้องมาเจอเคสอย่างนี้แล้วเขาก็เลยตําหนิเอาก็ใช้กรรมไปแล้วควรทํำยังไงก็เอายงี้ก็แล้วกันก็ทําบุญแล้วก็อุทิศบุญให้เขาตามวิธีของพระพุทธเจ้าชักชิญญาติพี่น้องแล้วก็คุนหมอพยาบาลอะไรเนี่ยบอกให้รู้ว่าเนี่ย หมอก็ทำงานเต็มที่ทำดีที่สุดแล้วเจตนาก็อยากจะช่วยคนไข้ไม่ใช่อยากให้คนไข้ตายวิชาการที่ร่ำเรียนมาก็พิจนารณากันอย่างดีเป็นทีมเลยก่อนจะผ่าตัดอะไรนี่โอ้ยถกเถียงกันหมอแต่ละด้านแต่ละด้านมารวมกันเอามาบูรณาการเป็นอันเดียวกันจากนั้นก็ลงความเห็นว่าต้องผ่าตัดแบบนี้นี่คือทาดีที่สุดแล้วเนี่ย อันนั้นมันมารู้ที่หลังเนี่ยว่าเอ้ยน่าจะมีอีกวิธีหนึ่งอ่ะอาจจะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้แหละแต่มันมีวิธีที่ดีกว่ามีจริงแต่ว่ามันเป็นวิธีที่มันยังใหม่มากถ้าไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้หมอก็อาจจะยังไม่ศึกษาไปถึงตรงนี้ก็ได้อันนี้ให้เรายอมรับเรื่องของกรรมพูดกันเข้าใจเสร็จแล้วก็พากันทาบุญทาบุญกันนิมนต์อ่ะหลก็ไป แสดงธรรมให้ฟังจากนั้นก็อสบายใจทีนี่ใจโลกพอแตก่ก่อนนี่โอ้โหตำหนิกันพูดกันไปพูดกันมาอยู่โอ้หลายเดือนนะก็พอดีครั้งนั้นก็เดินทางไปนะคนปรปฐมนี่แหละเขาก็เลยไปพบแล้วก็ใช้หลักของการปฏิบัติธรรมนี่แหละคือใช้สติย้อนไปนึกถึงเหตุการณ์นี่คือสติมันมีกำลัง มันสามารถที่จะย้อนไประลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตได้ถ้าสัญญานี่มันแค่จำได้นะไอสติเนี่ยมันไปล้วงเอามาได้ไปดึงเอามาได้ไประลึกถึงเหตุการณ์ดึงมาแล้วจับเอาไว้ด้วยจับเอาไว้แล้วก็ใช้ปัญญาส่องดูด้วยแล้วก็เจอเข้าไปก็เห็นรู้ว่าเออขั้นตอนมันเป็นยังไงเจตนาอย่างไรคิดอย่างไงวางแผนกันยังไงทำยังไง อันนี้แหละเขาเรียกว่าสติสัมโพชฌงเป็นสติที่มีกำลังเป็นสติที่มันทำให้มีปัญญาเขาเรียกว่าจิตเนี่ยมันสามารถเลือกเฟ้นเอาธรรมะได้คือสามารถส่องเข้าไปเห็นของที่มันดับไปแล้วแต่ว่าสามารถเอามาดูได้เขาเรียกว่าธรรมวิจยสัมโพชฌงจำแนกธรรม จำแนกแจกแจงทำรรเลือกเฟ้นทำรรอันนี้คำว่าโพชชงในที่นี้หมายถึงว่าเป็นองค์ที่จะตัดสูแล้วเป็นองค์ที่จะบรรลุเพราะฉะนั้นสตินี้มันยังมีกำลังไม่ใช่สติธรรมดานะเป็นสติที่สามารถแก้ไขจิตตัวเองได้ด้วยนึกถึงหัวข้อธรรมนึกถึงความคิดหรือปัญญาที่จะแก้ไขจิตตัวเองได้ เป็นปัญญาลักษณะแก้ไขจิตนึกถึงเออเจตนาเป็นยังไงโอ้เราเจตนาดีที่สุดแล้วนินาเราพยายามทําดีที่สุดแล้วนินานี่คือปัญญาที่มันแก้ไขจิตมันไม่ได้เป็นปัญญาเห็นว่าแต่ละแต่มันก็ทําให้สติมันก็มีกําลังเพิ่มเติมขึ้นแล้วจากนั้นก็เอาปัญญาดู ทำให้เกิดญาณญาณ น, นี่คือตัวปัญญาที่จิตเห็นเห็นอยู่เฉพาะหน้าเห็นว่าโอ้ยมันไม่ได้มีเราอยู่เลยอ่ะเราทําดีที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นรูปเป็นนามอะ่ะเนี่ยเป็นวิปัสสนามันแค่เกิดแล้วก็ดับไปอย่างเรื่องราวต่างๆอย่างเงี้ยสามารถที่จะเอามาเห็นว่ามันโอ้มันเกิดแล้วมันก็ดับไปแล้วมันไม่ได้มีตัวมี ต, มตนเป็นรูปเป็นนามเฉยๆยเขาเรียกว่าเลือกเฟ้นทํา มันจะไม่มีเราอยู่ในนั้นมันจะมีแค่เหตุการณ์มีการกระทำจริงแต่ผู้กระทำไม่มีอ่ะทนี้มันจะต้องละเอียดเข้าไปอีกข้างในเพราะนั้นสติเนี่ยมันจะมีหลายระดับมันก็เหมือนกับคนเรานี่แหละตอนเป็นเด็กก็เป็นอย่างหนึง่งโตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ระดับหนึง่งเป็นผู้ใหญ่ก็อีกแบบหนึง่งอย่างเงี้ยมันค่อยโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเพราะนั้นสติก็เหมือนกัน สตินี่มันมีกำลังมากมันยิ่งดีมันจะควบคุมทุกอย่างเรียกว่ามันจะจัดแจงจัดแจงสติเนี่ยเขาเรียกว่าสตาทิปัติยาสตินี้จะเป็นเหมือนอธิบดีตัวสติเนี่ยมันจะจัดแจงเรื่องเล่าต่างๆให้อยู่ในอำนาจของสติคุมเอาไว้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบว่าซัวรถม้าคันหนึ่งมันมีม้าอยู่สี่ตัว ม้าสี่ตัวนี้ก็มีศรัทธาวิริยะสมาธิและก็ปัญญาถ้าศรัทธามากคนขับเป็นเหมือนตัวสติคอยคุมอยู่คุมม้าอยู่สี่ตัวคนขับก็จะถือประตัดถือแส้หรือประตัดถือเชือกม้าก็เขาก็เอาเชือกมัดกับมา้าพอมีเชือกลังม้าไว้แล้วก็มีประตัดถ้าตัวไหนมันขี้เกียจ มันขี้เกียจมันไม่พยายามก็เอาประตกแทงเนี่ยคนขับนี่เป็นเหมือนสติคอยคุมอยู่ถ้าหาว่ามันศรัทธามันมากมันจะงมงายมันจะเชื่อแบบไม่มีเหตุผลเลยอะเชื่อแบบไม่มีเหตุผลไม่มีปัญญาถ้าหาว่าศรัทธามันมากมันไม่สมดุลเพราะนั้นศรัทธากับปัญญามันจะคู่กันอยู่ถ้าหาว่าศรัทธามันนาหน้าเขาก็จะต้องลังๆไว้ลังๆังไว้เพิ่มกาลังของปัญญาให้ปัญญามันนาหน้า ปัญญาก็พยายามที่จะให้เห็นว่าเออมันไม่มีอะไรมันเกิดแล้วก็ดับไปนี่แนวให้ปัญญามันนําหลังถ้าหาว่ามันเชื่อมากมากโอ้ยศรัทธาพระพุทธเจ้าประเสริฐจริงๆโลดจริงๆมันก็ดิ่งไปอีกแบบเนึ่ยแต่ถ้าหาว่าปัญญาเนี่ยโอ้พระพุทธเจ้าประเสริฐแล้วท่านประเสริฐยังไงท่านสอนอะไรอะ่ะสอนให้เห็นว่ามันไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนมันก็จะหลังไว้หลังไว้มันจะพอดีกัน อีกอันหนึ่งวิริยะความเพียรถ้าเพียรมากมันจะฟุง้งซ่านพยอยามตั้งใจเต็มที่ข่มจิตไม่อยู่มันก็ฟุง้งซ่านควบคุมไม่ได้เพราะสมาธิมันอ่อนปัญญามันแรงมากก็ต้องดึงไว้ดึงไว้ลดความเพียรลงมาทําสมาธิทําจิตให้นิ่งประเภทที่มันฟุง้งซ่านต้องเอาจิตให้นิ่งก่อนให้อยู่ก่อนมาทําสมาธิสมาธิมันน้อยก็ต้องมาเล่งเล่งตัวสมาธิทําเข้าสมาธิ ปล่อยให้จิตเข้าสมาธิไปแต่ถ้าสมาธิมันมากมันก็จะซึมมันจะขี้เกียจมันจะแช่นิ่งไม่เห็นพระไตรลักษณ์อีกมันแช่มันนิ่งก็ต้องกระตุ้นตัววิริยะให้มันพิจารณาให้มันดูสมาธิมันมากไปกับล้างไม้ไม่ให้มันเข้าไปให้มันพอดีกับการที่จะมาเห็นกายเห็นเทวนาเห็นจิตเห็นธรรมเพราะนั้นคนขับ จึงเป็นเหมือนสติผลคนขับยิ่งเก่งแค่ข้ของว่องไวมันก็จะปรับตัวไหนมองดูสี่ตัวนี้คุมอยู่ศรัทธ า, ามันนำกำลังไว้ก็กระตุ้นตัวปัญญาที่นาให้มากขึ้นให้มันคุมศรัทธานี่ให้อยู่ไม่งั้นตะเลิดไปเชื่อแบบงมงายไปเลยถ้าหากว่าวิริยะมันมากจิตฟุ้งซ่านเอาไมา่อยู่ก็ต้องให้สมาธิมันมีความลึกซึ้งมีความสงบมีความระงับ แต่สมาธิในที่นี้มันจะต้องเป็นสมาธิที่มันตื่นตัวด้วยเนีย่ยไม่ใช่สมาธิแบบแบบแช่สมาธิแบบแช่แบบแชนี่มันเป็นเหมือนหัวต่อตัวนี้ไม่เป็นสัมมาสมาธิในช่วงที่เรากําลังที่จะทําให้จิตนี่มีปัญญาญาณเห็นพระไตรลักษณ์เพื่อให้จิตนี้ปล่อยวางได้เพราะนั้นสมาธิที่เราต้องการเนี่ยก็คือสงบพอถึงจะเข้าฌานก็ตามแช่ยอยู่ก็ตามต้องหาทางให้มันออกมาออกมาดู ดูขันห้ามาเจริญสติฐานสแต่ถ้ามันแช่หายเงียบไปบางคนนั่งทั้งคืนเงียบอหไอย่างนี้มันติดแล้วมันติดสมาธิมันหลงสมาธิต้องออกมาไม่ต้องเข้าสมาธิอีกเดินมากๆทำงานมากๆแต่รักษาจิตเอาไว้ใช้อีโบช่วยใช้การเคลื่อนไหวช่วยคือปรับไม่เข้าไปเพราะสมาธินีมันเข้าได้อยู่แล้ว จิตมันถึงฐานอยู่แล้วต้องมาเดินพวกวิริยะพวกปัญญาให้มันมีพลังขึ้นมามีกาลังขึ้นมาจนรู้ว่าเ อ, อสติมันดีแล้ววิริยะมันมีกำลังแล้วมันคุมจิตไม่เข้าไปแบบเพอ้อเข้าไปไม่ต้องให้เข้าไปคุมไว้ได้ให้จิตอยู่ในอำนาจของเราเอาให้มันไปดูอะไรก็ได้ตามร่างกายเราเนี่ยเอาไปจอดูผมก็ได้จอดูอียบดนั่งก็ได้ จะให้มันดูทั่วาตามส่วนต่างๆของร่างกายได้จะมาดูเป็นอสุภะได้จะเฉือนร่างกายเป็นชิ้นๆแอาไปกองไว้เฉือนส่วนนั้นส่วนนี้นนไปกองไว้คือทำการให้สติมันมีกำลังให้วิญญาณมันมีกำลังมาให้มันแช่ได้เพราะฉะนั้นสติมีกำลังแล้วจิตจะอยู่ในอํานาจของเราเมื่ออยู่ในอํานาจของเรานี้จึงจะเป็นสม า, สมาธิ เป็นสมาธิที่เราต้องการถ้าว่าเราคุมจิตไม่ได้มันเข้าไปเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวอย่างนี้ก็ติดสมาธิไปเลยปฏิบัติบางองค์ติดจนตายเลยนะมันออกไม่เป็นน่ะนั่งทีละก็แช่อยู่งั้นะ่ะสมาธิี่ดีมากแต่ว่ามันไม่มีปัญญาเมื่อตายไปก็ไปเป็นทร ม, มโลกนี่าไม่สามารถพ้นทุกข์ได้ไม่สามารถไปนิพพานได้ยกตัวอย่างอาจารย์ของพระพุทธเจ้า ที่พระเจ้าไปเรียนด้านสมาธิด้วยมีสององค์อาลาลดาบทกับอุทกาดาบทองค์หนึ่งก็รู้สึกจะเป็นอากาสาณจายตนะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจาไม่ได้ละเพราะว่าเราไม่ได้ไปทวนดูนะว่าองค์ไหนขั้นไหนแต่ว่ารู้ว่าเป็นอรุปรชาดองค์หนึ่งก็รู้สึกจะอกินจัญญายตนะนี่แหละพอพระเจ้าระลึกปั๊บขึ้นมาตอนบรรตตสรุธรรมก็ น, นึกถึงอาจารย์ขึ้นมา ว่าอาจารย์เนี่ยมีสมาธิแล้วอ่ะแค่รู้ทางเอาจิตมาพิจารณาขันห้าได้ให้มีปัญญาว่าไม่มีตัวเราถ้าเห็นแจ้งพราสมาธิมันพอแล้วเนี่ยแค่ได้ฟังทางรู้ทางปั๊บเอามาส่องดูให้เห็นว่ากายเนี่ยเวทนาเนี่ยจิตเนี่ยธรรมเนี่ยพวกนี้มันเกิดแล้วก็ดับมันไม่มีตัวไม่มีตนอะไรอ่ะเห็นเป็นพัตไตลักษ จะบรรลุทับอย่างรวดเร็วเลยเพราะสมาธิมันพอแล้วเนี่ยพื้นของสมาธิแต่ว่าสององนี้ไม่รู้องค์ไหนก่อนองคไหนหลังนะองค์ที่อากินจัญญายตนะนี่ก็ว่าพอระ ล, ลึกถึงอาจารย์ปั๊บเทวดามาบอกว่าตายแล้วอะ่ะไปเป็นผอมแล้วอะ่ะพระพุทธเจ้านี่โอ้ชิบหายแล้วนะอุทานเลยโอ้ยโอตอีกนานเลยอะ่ะกว่าที่พ้นจากผอมนานมากระ ล, ลึกถึงองค์ที่สองก็บอกอีก ว่าตายแล้วชิบหายแล้วต่อมากระลึกลกถึงปัญจวัคคีทั้งห้าก็เดินทางไปโปรดปัญจวัคคีทั้งห้าอันนี้ก็คือจิตที่มันเข้าไปแช่ในสมาธิผลวิธีแก้ไขจึงไม่ต้องเข้าสมาธิอีกระยะแรกๆนี้ต้องให้จิตตื่นเอาไว้ตื่นตัวอยู่มองดูกายเคลื่อนไหวให้รู้มันหยิบจับอะไรให้รู้มันทำอะไรให้รู้ มีอะไรเกิดขึ้นกับกจิตก็ให้รู้เวทนามาทางกายก็ให้รู้เวทนาทางจิตก็ให้รู้ต่อมาก็จะเห็นว่ามันเกิดดับเห็นว่ามไม่มีตัวตนก็เห็นธรรมคราวนี้มันก็ไปได้แล้วถ้าไปบริกรรมเดี๋ยวมันเข้าสมาธิมันก็ดิ่งเข้าไปอีกเพราะนั้นมันจึงต้องมไม่ต้องเอามาดูให้มันทํางานคนง่าเอาให้มันทํางานหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านนั่งสมาธิเสร็จแล้วท่านเข้าไปในสมาธิเสร็จแล้วก็มีนิมิต วันแรกก็ว่าเออขีม่ม้าไปไปถึงห้องห้องหนึ่งไปถึงห้องเข้าไปในห้องเสร็จแล้วก็เออถึงเวลากลับทั้องกลับมากลับมามันก็ค้างอยู่ในใจว่าข้างในมันจะมีอะไรนะพอนั่งสมาธิมันก็ไปอีกอ่ะวันที่สองอันนี้คล้ายๆอย่างเงี้ยนะเราไม่ได้จํารายละเอียดนะแต่จําเหตุการณ์คล้ายๆอย่างนี้ได้วันที่สองก็ไปถึงสถานที่แห่งนี้ก็เข้าไปในห้องแล้วก็ลึกเข้าไปอีก ห้องต่อไปอีกมันยังไม่สุดยังไม่จบยังไม่ถึงที่สุดก็เออถึงเวลากลับคือจิตมันถอนออกมาได้ออกมาก็ยังเอ้มันจะมีอะไรไปอีกนั่งอยู่ตั้งโหนานนะเป็นเดือนเดือนมั้งสั้นเดือนหรือสองเดือนอะไรอย่างงี้หละแต่ว่าเอา๊ะมาสังเกตดูจิตทำไมมันละกิเลสอะไรไม่ได้เลยอะสมาธิดีอะแต่ว่าไปดูเข้าไปในห้องลึกเข้าไปเรื่อยเรื่อยเหมือนจะค้นคว้าอะไรสักอย่างหนึ่งอะ ตามไปตามไปมันก็ลึกเข้าไปเรื่อยลึกเข้าไปเรื่อยมันหลอกสุดท้ายก็จับได้เอ๊ะถ้าหากว่ามันถูกทางเนี่ยมันต้องละได้สิละกิเลสได้สิอันนี้มันละอะไรไม่ได้เลยไม่ยอมนั่งสมาธิอีกเดินจงกรมอย่างเดียวเดินจงกรมอย่างเดียวเลยทุกวันเดินจงกรมนูน่นถึงเวลาก็นอนเลยไม่นั่งสมาธิอีกเลยจนนู่นละจิตมีกําลังคือมรสติมีกําลังแนละ้ว เขานี้นั่งนั่งดูขันห้าที่นี่มันไม่เข้าแล้วที่นี่เพราะสติมีกําลังมันคุมได้แล้วนี่เราจะต้องคุมจิตเราให้ได้ไม่มันเข้าไปแช่ถ้าคุมไม่ได้มันเข้าไปแช่อยู่อย่างนี้แช่อยู่อย่างนี้เอาแล้วเมื่อไหร่มันยังมีปัญญาเมื่อไหร่มันจะปล่อยวางขันห้าได้อ่ะมันก็พ้นทุกข์ไม่ได้สิแล้วที่เรามาปฏิบัตินี่เพื่อออกจากทุกข์นี่เมื่อเราปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์เราก็ต้องหาทางให้มันเกิดปัญญาแต่ไม่ใช่ว่า คนที่ยังไม่เคยมีสมาธิเลยจิตยังไหลไปข้างนอกอยู่เดี๋ยวเผลอหลุดไปทางโน้นหลุดไปทาง น, น, างนี้จะมากลัวว่าเดี๋ยวติดสมาธิไม่ต้องเข้าสมาธิเอาอย่างนี้มันก็ผิดทางอีกแล้วเพราะตัวเองยังไม่มีสมาธิไปกลัวก่อนแล้วกลัวติดก่อนแล้วก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องทําสมาธิก่อนมันจะเข้าก็เข้าไปเลยแต่พายายามทําสติมากๆบ่อยๆจเจริญสติมากๆไม่ต้องรีบร้อนต้องจเจริญสติเนี่ยผู้เจ้าเน้นสติ เพราะนั้นทางที่จะออกจากทุกข์พระเจ้าเริ่มด้วยสติปัฏฐานทั้ง4ี่เอาสติมาตามดูกายดูตามดูตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมหรือพระพุทธเจ้าสอนในคณะกาโมคณะนสูตรเนี่ยมีพราหมณคนหนึ่งชื่อว่าคณะกาโมคณะเป็นพราหมณ์ที่สอนการคํานวณไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดบุพพาลามวัดที่นางวิสาขาสร้างถวายอะไปถึงพระเจ้ากันประทับอยู่ที่ศาลา พาโมนี้ไปถึงเขาก็พรลนาวเนี่ยตามปกติคนเราทำอะไรก็ทำตามลำดับเช่นศาลาหลังนี้จะสร้างสร้างตามลำดับเช่นก่อนตอนแรกก็ปรับพื้นให้เรียบซะ ก, ก่อนแล้วก็ขุดเสาทําต่อหม้ อ, อแล้วก็ตั้งเสาทำโคงมุงหลังคาเทพื้นเสร็จแล้วก็เริ่มทาโคง้งฝา ติดประตูหน้าต่างอะไรว่าไปทำฝ้าเขาก็อธิบายไปตามลำดับเขาสอนลูกศิษย์ก็สอนตามลดับนับศูนย์หเขาก็พูดไปพระองค์นะ่ะพอที่จะลำดับการสอนได้ไหมท่านโคโดมนะ่ะพอจะลำดับการสอนได้ไหมพูะเจ้าก็บอกว่าเราก็สอนสาวกของเราตามลำดับถ้ามีผู้ที่ต้องการที่จะมาศึกษา ม, มาเรียนรู้มาปฏิบัต ถ้ามีคนที่ต้องการปฏิบัติก็เหมือนกับที่เราฝึกมา้าฝึกม้าก็คือต้องฝึกจูงม้าก่อนให้มันเชื่อคําสั่งก่อจูงไปทางนั้นทางนี้ให้มันตามไปตามที่เราต้องการจูงมันไปแล้วมันไปตามไปได้จากนั้นก็เอาอะไรวางบนหลังมันเอาเครื่องทั้งหลายเนี่ยที่จะว่าวางบนหลังให้มันเคยซะก่อนแล้วก็จูงมันไปอีกต่อมาก็ค่อยขึ้นนั่งแล้วก็บังคับให้มันไปในที่ต่างๆได้ เราฝึกม้าก็ฝึกตามลําดับทีฝึกคนก็ตามลําดับฝึกคนคือยังไงเมื่อมีผู้ต้องการฝึกปฏิบัติพองค์ก็เริ่มต้นเริ่มปับมาก็สอนให้มีศีลก่อนมีศีลนี่ก็คือมีสติสัมปชัญญะสำรวมกายวาจาไม่ไปทําสิ่งที่มันผิดพลาดบกพร่องไม่ถูกต้องเพราะเดี๋ยวมันจะมีผลต่อจิตใจทําให้จิตใจนี่มันฟุง้งซ่านมันวุ่นวาย เพราะนั้นต้องมีความถูกต้องก็คือต้องรักษาศีลศิลวารักษาศีลสํารวมกายวาจาสิกขาหมดน้อยใหญ่ทําให้มันถูกต้องขึ้นมาการไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายคือศีลเนี่ยมันรวมไปหมดเลยนะศีลเนี่ยมันต้องกว้างนะศีลผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ศีล8ศีลห้าศีลแปอย่างเดียวนะศีลเนี่ยมันไปรวมถึงการรู้ว่าอะไรควรเกี่ยวข้องอะไรไม่ควรเกี่ยวข้อง อันไหนเกี่ยวข้องแล้วจิตฟุง้งซ่านเรื่องราวอะไรที่ไม่ควรรู้รู้แล้วไม่เกิดประโยชน์เสียเวลาจิตก็เอาเรื่องราวเหล่านั้นมานึกคิดปรุงแต่งมันไม่อยู่กับกายเราไม่อยู่กับเวทนาจิตธรรมเนี่ยไม่อยู่กับขันห้าเนี่ยมันเลื่อนลอยออกไปคิดเรื่องราวทั้งหลายที่เราไปเกี่ยวข้องเนี่ยยิ่งคนไหนที่จิตฟุ้งซ่านมากๆพยายามดิบเดี้ยนต้องขนาดนั้นนะไม่ไปเกี่ยวข้อง คือพยายามที่จะทําให้การปฏิบัติของเราเจริญก้าวหน้าการงานก็เอาจําเป็นต้องทําก็ทําทําเสร็จแล้วก็ต้องรีบระมัดระวังมาอยู่ในท่าทางของผู้ปฏิบัติสํารวมระวังถ้ามีคนเยอะๆก็ต้องหาทางให้เราอยู่กับจิตเราอยู่กับตัวเรานี่ต้องอย่างนั้นด้วยนี่จึงเรียกว่าเป็นการรักษาศีลศีลนี่มันกว้างเมื่อรักษาศีลแล้วจากนั้นก็ ให้สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจระวังระวังเวลามันกระทบอารมณ์มันมาทางตาก็ต้องพยายามให้รู้เท่าทานันกระทบปับ๊บมันเกิดอะไรขึ้นรู้ทนันรู้ทันมันจะดับพวกเนี้ยถ้ารู้ไม่ทันก็อีกแบะเราก็จะหลงไปมีอารมณ์อะไรมากมายที่เข้ามาทางตาเข้ามาทางหูคนเขาพูดได้ยินก็เอามานึกมาคิดมาปรุงขึ้นมาอีกเป็นเรื่องเป็นราวมันก็ฟุ้งซ่านออกไปอีก จิตก็เลยฟุง้งซ่านสัดสายไปเรื่อยจมูกได้กลิน่นเข้ามาทางจมูกเข้ามาทางลิ้นก็เหมือนกันเข้ามาถูกต้องสัมผัสเขาเรียกว่าโภทภพะหรือมันนึกอะไรขึ้นมาแล้วมันมากระทบจิตเราก็ต้องรู้ทันมันไม่ที่เราสัดสายไปตามอารมณ์ที่มากระทบนั้นนี่เรียกว่าสำรวมอินทรีเวลากระทบอารมณ์เขาพิสูจน์กันตอนมันกระทบอารมณ์ไม่ใช่ไปดูตอนมันนิ่ง บางคนนิ่งว่างไม่มีอะไรไม่มีตัวไม่มีตนโอยสงสัยพหลานละมัง่งสงสัยพระเจ้าคันน์คันนี้ละมัง่งสงสัยไม่มีอะไรละมัง่งมันยังอยู่มันยังอยู่ต้องดูตันกระทบอารมณ์สิปั้งเข้ามาจิตเป็นยังไงถานมันไม่เห็นัหมบางทีมันออกไปตั้งนานแล้วบ่นพึ่มพำพึ่มพำไปตั้งนานแล้วยังไม่รู้ตัวอีกก็แสดงว่ามันยังตั้งอยู่ไกลมาก บางทีตัวตนมันออกแล้วมานะแสดงความยิ่งใหญ่ออกไปแล้วแสดงความอวดเก่งออกไปแล้วแสดงความสําคัญขึ้นมาแล้วก็ยังไม่รู้ตัวอีกยังคิดว่าตัวเองดีตัวเองเก่งตัวเองวิเศษวิ่งตามมานะแล้วก็ไปนึกถึงตอนไม่มีอะไรอะ่ะโอพ้นแล้วหรือไกลแล้ ว, ลวมันไม่ได้อย่างนั้นอะ่ะต้องมาดูตอนกระทบอารมณ์นี้เนี่ยนี่แหละพระเจ้าสอนอย่างนี้วัดกันตรงนี้เลยถ้ากระทบอารมณ์แล้วยังไหวอยู่ ยังมีอะไรอยู่เอาไม่มีใครเห็นแต่เราเห็นนี่ในจิตเราอะ่ะร้อนขึ้นมาบูบปุดปุดปุดตุกตับตุกตั บ, ต บ, ตบถ้ามันหยาบมันก็ออกทางกายออกทางวาจากายกัดเนื้อตัวแดงกับฟัดกับเฟียดทําอะไรก็ตะแคระใหญ่เขารู้ว่านี่ฉันโกรธนะฉันไม่พอใจนะไม่รู้อีกว่าเนี่ยคือกิเลสไม่รู้อีกว่าตัวเองไม่ทานจิตไปนั่งโอ้ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรกระทบ สงบลงไปอีกไม่มีอะไรอีกแล้วโอ้โหอย่าสอนคนนั้นคนนี้แล้วนะที่นี่ความจริงมันไม่มีตัวไม่มีตนนี่เองคิดเอานี่เราวิปัสสนึกม่ยด้เห็นชัดชัดปล่อยว่างไม่หยิบช่วยเข้ามาอีกนี่ทำมั่เว้เป็นอย่างนี้นะมันปล่อยแล้วก็ปล่อยแล้วไม่จับมาอีกเด็ดขาดลงไปอย่างนี้เอ อ, เ อ, อนะพ้นแนนอนแล้ว ดับไปเลยดับไปเลยจากจิตเนี่ยนั น, นพ้นจริงดับเลยไม่ปรุงบูฟเขามาก็รู้รู้แล้วจะพูดยังไงมันก็ต้องการกองออกมาแล้วด้วยจะพูดอย่างนี้กันก้องแล้วพูดอย่างนี้เอ๊ะถ้าเขาจะรับไวไหมมันรวดเร็วมากนะเนี่นยที่พูดเนี่ยขบวนการทํางานของจิตที่มันมีธรรมะเนี่ยมันจะรวดเร็วมากปั๊บเขารับไวไหมทุกไหมเขาจะแก้ไขไหมถ้าเราไม่พูดถ้าไม่แก้ไขอ้า มันจําเป็นเพื่อประโยชน์ตัวรวมประโยชน์พระศาสนาออกไปทุกก็ไม่เป็นไรปล่อยให้ทุกไปเลยเพราะนี่คือธรรมะมันจําเป็นคนนั้นก็จะได้จดจําถ้าเขารักดีเขาต้องแก้ไขตัวเองถ้าไม่รักดีก็เรื่องของเขาเป็นวิบากกรรมของเรากับเขาใจเราอุเบกขาจบไม่กระเทือนไม่มีทุกข์มันกันกองมันทําทุกอย่างด้วยความรู้ความแจ้งชัดอยู่ในจิตเนี่ยมันยิ่งใหญ่ า, ามันหลุดพ้น ผลคือไม่มีตัวตนออกมารับมันมีแต่ธรรมะเท่านั้นหลงว่าเป็นธรรมแล้วก็เอาละ่ะยืนยันเป็นยังไงเป็นกันเพราะถ้าเราไม่รักษาธรรมเราจะรักษาอะไรอ่ะมันรักษาใจเหรอถูกใจก็ถูกธรรมเอาไหนก็ต้องเอาถูกธรรมใจก็เอามันก็ต้องอประคับประคองกันอยู่แต่ว่าธรรมต้องมาก่อนเนี่ยมันก็จะรู้ไม่ใช่ไป น, นึกเอาดับอยู่ในจิตไม่มีอะไรเลยไม่ต้องเข้าสมาธิก็รู้มันดับ เข้าสมาธิจิตยิ่งละเอียดผลนี้ได้ยินอยู่เรื่อยขั้นนั้นขั้นนี้พอค่อยสังเกตขั้นนั้นขั้นนี้แล้วเป็นยังไงบางทีก็มีอะไรมาแทรกด้วยถ้าหลงว่าตัวเองเนี่ยหลุดพ้นขั้นนั้นขั้นนี้บางทีมันไม่ใช่ตัวแทรกมันมีมันหลอกสร้างภาพขึ้นมาได้ทําให้หลงอยู่เรื่อยคนที่เคยหลงมันจะหลงอยู่เรื่อยให้สํารวมอินทรีย์หรือตาหงงูจมูกลิ้นกายใจเวลากระทบอารมณ์เน้นเลยเวลากระทบอารมณ์ ไม่ใช่เวลาเข้าสมาธิไม่ใช่เวลาเรานั่งอยู่เฉยๆพี่นาขะหน้าต้องตอนกระทบอารมณ์อันที่สารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารพวกนี้สติทั้งนั้นเลยนะเนี่ยกาลังพูดอยู่นี่ไม่ใช่เรื่องของสมาธิเลยเวลาบริโภคอาหารเวลารับประทานอาหารบางคนก็โอ้ยอรอย่อยอร่อยใจก็ลอยไปมันก็เสียสิแทนที่เวลาทานอาหารเนี่ยเวลาฉันพัฒนาอาหารอะไรอย่างเงี้ยมันจะเอาเวลานั้น ศึกษาเรียกว่าศิกขาศึกษาตามดูสิรสชาติมันพอดีกระลิ้นอร่อยก็ต้องรู้ว่าอร่อยไม่ใช่อร่อยโอ้โหน่าจะเอาเยอะๆอันนี้เสียดายตักนิดเดียวหรือมันคิดขึ้นมาก็รู้ทันต้องรู้ทันด้วยมันไม่อดไม่ได้หรอกห้ามมันไม่ได้แต่ต้องรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันเค็มไปกับมันละอย่างนี้ก็เรียกว่าไหลไปหลงไปรู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร แล้วก็รู้จักพอดีด้วยเวลารับประทานอาหารมันจะคํานวณได้ในร่างกายเราเนี่ยถ้าร่างกายมันบอกว่าพอแล้วมันมีมันมีจังหวะเขามันพอแล้วหรือพู้เจ้าบอกว่ารู้สึกว่าอีกสี่ห้าคำจีมให้เติมน้ําลงไปจะพอดีขนาดชั้นมือเดียวแล้วนะยังต้องมารู้จักประมาณอีกสี่ห้าคำหยุดเลยเติมน้ําลงไปพอดีนี้จะรู้เลยว่ามันคล่องตัวมันไม่อืด เวลานั่งสมาธิไม่ง่วงไม่ซึมทำอะไรก็แค่คล่องว่องไวที่เคยกลัวจะผอมกลัวจะอาหารไม่พอโอ้ยลองได้เลยเบาสบายที่สุดไอที่ว่าพอดีพอดีมากไปอึดอาดแค่เดินเนี่ก็จะหลับแล้วขี้เกียจสุดสุดเลยคิดมองหาแต่ที่นอนจะนอนท่าเดียวอย่างนี้เลยนะนี่ใครเป็นอย่างนี้ก็ต้องนี่หละรู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร โชเนมัตตัญยุตานี่พระเจ้าสอนพรามณ์ก็คือเรื่องสติหมดเลยยังไม่พูดถึงสมาธิเลยก็คือมีสมาธิอยู่บ้าแต่ไม่ได้เน้นอันที่สี่ชาคริยานุโยคะเพียนให้ต่อเนื่องเพื่อให้จิตตื่นเพียนเดินจงกรมนั่งก็นั่งอย่างมีสติอย่างที่ว่านี้คือเน้นสติอยู่ไม่ได้ไปเข้าสมาธิแบบลึกแบบอะไรเลยไม่ไปแช่ไปอะไรเลยชาคริยานุโยคะมีสติต่อเนื่อง ถ้าเป็นพระผู้ยาก็สอนสมัยก่อนไปบินธบาตกลับมาแล้วฉันพระทหารแล้วให้เดินจงกรมเดินโยงกรมก่อนเลยชั่วโมงสองชั่วโมงว่าไปฉันแล้ก็นั่งสมาธิทํามันยังง่วงยังซึมอยู่นั่งน้อยๆ อ, อย่าไปนั่งมากหรือถ้ามันซึมมากๆไม่ต้องไปนั่งเลยเดินเคลื่อนไหวออกกําลังกายมันเดินเมื่อยแล้วก็หาทําการทํางานก็ยังดีจับไม้กวาดปาดตาดบ้างเก็บใบไม้ เราทำอยู่คนเดียวมันก็สํารวมระวังเป็นการปฏิบัติธรรมไปได้งานภายนอกโดยภายในด้วยก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมไปนิชาคิยานุโยคะจากนั้นตอนบ่ายมีข้อวัดปฏิบัติก็ทำพอปฐมยามหัวค่ำไปถึงสี่ทุ่มเดินจุ ก, กรมแล้วก็นั่งสมาธิสาบกันไปสี่ทุ่มถึงตีสองเรียกมัชชิมยามพักผ่อนตีสองไปถึงสว่างเดินจุกรมนั่งภาวนา ได้เวลาออกบินฑบา้านนี่สอนพระแบบนี้เน้นสติเหมือนเดิมสมาธิก็เป็นสมาธิที่ทำงานเป็นสมาธิที่จิตทำงานตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมไม่ได้เข้าไปอยู่ข้างในไม่ไปแช่ไม่ไปนิ่งอันที่ห้ามีสติสัมปชัญญะทุกเรียบทเขินไหวเข้าห้องน้ำห้องส้วมอาบน้ำอาบท่าซักผ้าดืม่ม กินพูดคิดทุกอย่างมีสติหมดทีนี้พูดถึงสมาธิแล้วทีนี้จากนั้นนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดําลงสติเฉพาะหน้าตามดูกายตามดูเวลาตาดูจิตต่อไปจนจิตข้ามพ้นนิวรณ์ต้องพ้นนิวรณ์เลยนะเนี่ยพูดถึงสมาธิต้องข้ามนิวรณ์ใครยังง่วงยังซึมยังสบงบอยู่มันไม่ข้ามนิวรณ์ต้องให้จิตตื่นตั้งมัน่นตั้งมัน่นรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ ก็มีทั้งสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพี่ยนคือมีอินทรีห้ามีตัวสมาธินี่ผู้พุทธเจ้าพูดต้องพูดตอนที่มันพ้นิวรนอาการง่วงอาการซึมข้ามไปจิตตั้งมัน่นแต่ไม่ได้เข้าไปอยู่ข้างในไม่ได้ไปแช่รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่นี่คือสัมมาสมาธิจากนั้นอะไรเกิดขึ้นเห็นเห็นม่อมันผ่านมาผ่านไปเกิดแล้วก็ดับไปเดี๋ยวก็ลงสู่อนัตตาปับ๊บไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เห็นบ่อยๆเข้าเห็นเกิดดับบ่อยเข้ามันก็จะสรุปไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีตัวเราเกิดแล้วก็ดับไปมันเป็นธรรมชาติมีเหตุก็เกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราความเป็นเราจะไม่มีผู้ดูก็เป็นอันหนึ่งสิ่งทุกดูก็เป็นอันหนึ่งเป็นธรรมชาติหมดเลยเจตนาที่จะละนุ่นละนี่ไม่มีเลยมันละข้องมันเองเลยเห็นเกิดดับมันก็ปล่อยปล่อยปล่อยมันปล่อยแต่ละครั้งมันจะหด ตัวเข้ามาหาจิตเห็นข้างนอกปั๊บมันจะปั๊บเข้ามาหาจิตเห็นข้างนอกหรือเห็นจิตด้วยมันจะมาเต็มขึ้นในจิตปั๊บเห็นแล้วก็คลายออกจากข้างนอกปั๊บเข้ามาอยู่กับจิตปั๊บเข้ามาอยู่กับจิตปั๊บเติมเข้าไปที่จิตความปัญญามันซึมเข้าไปที่จิตซึมทราบเข้าไปที่จิตสติสมาธิปัญญาเนี่ยเข้ามารวมกันอยู่ที่จิตปั๊บเข้ามาปั๊บเข้ามาจิตก็เด่นขึ้นมาที่นี่อริยมรรครวมรวมเข้าไปจากนั้นก็เหมือนเข้าไปอยู่ในล็อก ล็อกอันหนึ่งเป็นเองเลยทีนี้เป็นเองหมุนตัวมันจะหมุนตัวเองนี่อัตโนมัติแล้วนั่นเนี่ยนี่แหละมันถึงเวลาของมันแล้วพอมันสมดุลปั๊บประหารกิเลสทัพนี่แหละยมอมรวมเป็นหนึ่งละอริยสัจสี่ชัดเจนเห็นว่ามันเือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดที่เป็นได้ย่อมดับไปเป็นธรรมดานี่หมายถึงพระโสดาบันขั้นต่อไปนันท่นไม่พูดอย่างนี้หรอกก็คือมันก็เห็นคล้ายๆกันนี่แหละมันก็รวมพุบเข้าไปเป็นครั้งที่สองรวมพุ๊บครั้งที่สแล้วครั้งสุดท้าย จิตก็ไม่มีอะไรปรุงแต่งเนีย่ยคือบรรลุผรานทางมันก็เป็นแบบนี้เลยเพราะนั้นพอพูดถึงสมาธิต้องผ่านนิวรณ์หแล้วก็ตั้งมั่นอะไรเกิดขึ้นต้องรู้เห็นว่ามันเกิดแล้วก็ดับผ่านมาผ่านไปเพราะนั้นสมาธิทุกระดับจะต้องเห็นพระไตรลักษณ์ได้จึงเรียกว่าวิปัสนาจะอยู่ในปฐมฌานก็ได้จิตเข้าไปลึกขนาดไหนก็เห็นสุขก็เกิดแล้วก็ดับทุกเกิดแล้วก็ดับ ปีติเกิดแล้วก็ดับอะไรผ่านมาก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปสมาธิลึกขนาดไหนก็ได้ที่นี่ไม่กลัวแล้วไม่แช่เห็นค้านี้ยิ่งลึกยิ่งดีที่นี่เขาไปลึกก็ยังเห็นอยู่จิตนี้ไม่นิ่งเลยรู้ตัวทั่วพร้อมกำลังของสมาธิที่มีกาลังมากแต่มันไม่ไปแช่ไปนิ่งแบบไม่รู้สึกตัวไม่ใช่กับรู้ตัวทั่วพร้อมเพราะว่ามันฝึกสติมาตลอดสาย แล้วมันค่อยๆเข้าไป่ไม่ค่อยๆเข้าไปไม่ใช่เผลอแล้ววุ๊บเข้าไปไม่ใช่ค่อยๆเข้าไปทุกจังหวะเห็นหมดเลยจิตขยับปั๊บเข้าไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จนบอกตัวเองได้เลยว่าสมาธิขั้นไหนก็ไม่กลัวแล้วเพราะจิตมันตื่นตัวเต็มที่แล้วใช้จิตทํางานได้ทุกระดับเพราะนักผู้ที่จะบรรลุธรรมจะต้องมีฌานรองรับปฐมฌานอย่างน้อยเนี่ยไม่ได้รังเกียจฌานเลยนะแต่ช่วงแรกๆนี้ถ้ามันไปจมอยู่่ะ มันไม่เห็นประเต็นรักเนี่มันไม่ได้ประโยชน์เพราะมันเข้าไปก่อนเวลาที่ควรจะเข้าไปถ้าเข้าไปอย่างนั้นต้องถอยออกมาหรือว่าปล่อยรอเวลาให้มันออกมาแล้วมาดูขันห้าก็คือใช้สมาธิเป็นฐานเป็นบาดฐานแล้วก็จเจริญวิปัสนาคือจิตมันอยู่ในระดับไหนสมาธิระดับไหนก็สามารถเอามาจเจริญสติสติปัฏฐาน4มาดูขันห้า ถ้ามันเห็นพระไตรลักษณ์เมื่อไหร่ก็เรียกว่าเป็นวิปัสนาเมื่อนั้นถ้ายังไม่เห็นพระไตรลักษณ์นี่เราเรียกว่าสติสัมปชัญญะยังเป็นขั้นฝึกจิตยังเป็นขั้นสมาธิอยู่แต่เราเห็นพระไตรลักษณ์ปั๊บจิตจะคลายออกค่อยๆปล่อยค่อยๆวางอันนี้เรียกว่าเป็นวิปัสนาแล้วแล้วมันจะเป็นเนื้อเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เลยเราอาจจะไม่ได้รู้ละเอียดเหมือนพระพุทธเจ้าหรอกแต่เห็นในกระแสจิตของเราเองที่เห็นมันเป็นกลางๆนี่แหละ เรียกว่าทำทางสายกลางเป็นทางของจิตผู้เจ้าท่านเห็นแล้วท่านรู้ไปเลยรู้ด้วยเอามาทบทวนดูได้เลยนึกถึงตอนที่ตัดสรู้ธรรมปับ๊บจับมาเลยจับมาแล้วก็เอามาเข้ามาในจิตและเอาจิตตรวจดูเลยเข้าใจไปเลยเอาวิชาความมีหลงว่ามีตัวตนเอาวิชาคือไม่รู้อริยสัจสีไม่รู้ว่ามันบ้างเปล่าจากตัวตนก็หลงคิดว่ามีตัวเรามีตัวเรา พอมีตัวเราก็ปรุงแต่งเพื่อจะทำกรรมแล้วมีเจตนาจะทำกรรมลงมือทำกรรมทำกรรมดีก็ยังมีตัวตนทามีเราทำมันก็เลยมีเราทำไม่ดีก็เราสงบก็เรามันก็เข้ามาอยู่ในจิตเก็บไว้ในพวังก็จิตอันนี้ก่อนที่เราจะมาเกิดนี่พูดถึงชาติก่อนที่เราจะมาเกิดเนี่ยก็เพราะมีอวิชชาปัจจยาสรางขาราสร้างขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณเนี่ยสังขาร ปรุงแต่งวิญญาณอาวิชาปรุงแต่งสังขารเป็นเหตุทําให้เกิดสังขารเพราะมาหลงว่ามีตัวเราเราก็เลยทํากรรมอยากให้เรามีความสุขอยากให้เราได้นั่นได้นี่มันก็มีเจตนาขึ้นมาเพื่อทํากรรมพอทํากรรมปุ๊บเก็บเอาไว้ทีนี้เราทํากรรมดีบ้างกรรมไม่ดีบ้างเก็บไว้ในไหนละ่ะรวังขวิญญาณรวังขวบจิตจากนั้นก็กรรมนี้ก็ส่งผลให้มาเกิด เขาเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณกรรมผักดันกรรมประเภทนี้ถ้ามาเกิดกับพ่อแม่คู่นี้แล้วก็เคยฆ่าสัตว์มากไ้ยคนนี้อ๋อต้องอายุสั้นแล้วมันมาสร้างร่างกายที่มีอายุสั้นๆเคยบีบเบียนสัตว์อื่นมากมากเอาละโลครคภัยไข้เจ็บตัวตรงมากคนนี้เอากรรมมาอีกเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันทึงเห็นดูกรรมของเราเองอะ เราดูกรรมของเราเองว่าเราเป็นยังไงสร้างกรรมมาแบบไหนผิวพรรณเป็นยังไงสวยงามหรือไม่สวยงามทําไม่สวยงามก็ขี้โกดมักโกดเขามีคนทํำให้ขัดใจเล็กๆน้อยก็แสงออกมากๆ ฟ, ฟุด ฟ, ฟัดฟุดฟัดบน่นอุบอิบอุบอิบก็บฟัดก็เฟียดเนี่ยประเภทนี้ไม่งามไม่น่าเลื่อมใสไม่ฟ่องใสถ้าอู้ยมากก็เก็บไว้ทนไว้ดูมัน ยิ่งมีเจริญสติด้วยเห็นมันเกิดเห็นมันดับก็กลายเป็นวิปัสนาไปผลไว้ทนไ ว, นไว้อันนี้ขั้นโลกียะกําลังพูดอยู่นี่ก็คือว่าอยู่ในขั้นที่อะไรมันกรราภาวนิยายนตเกิดคือดูกรรมกันธรรมดานี่ะโอ้อันนี้ปับ๊บคนนี้ผิวพรรณผ่องใสหน้าเลื่อมใสผิวพรรณงามอันนี้พูดถึงระดับโลกียะก็แสดงว่าไม่มักโกดเขาทําให้ขัดเครืองมากๆก็ ไม่แสดงออกมาคุมไว้ได้แล้วก็ดับไปตระกูลสูงตระกูลตำ่ำอ๋กระด้างกระเดืองควรเคารพ บ, บูชาสมณพราหมณ์อะไรก็ไม่เคารพ ล, ละ่ะมีมานะถือตัวดูมินเขาเดินอวดดีอวดเกง่งควรกราบควรไหว้ไม่กราบไม่ไหว้เหยียดตัวเองมันจะลดชั้นลงไปควรลุกลับควรช่วยอันนั้นอันนี้ไม่เอาขึงตัวตนมันมาก ทิฏฐิมานะมันมากกระด่างกระเดืองมากๆ า, กากนี้ตระกูลต่ําเป็นชาวไหลช า, น า, ชาวนาชาวสวนยาจกวันนี้พกขอทานไปมันกรรมเนี่มันจะไปเกิดนี้ก็พราอย่างนี้มันจะไม่เกิดในตระกูลต่ํารวมทั้งไม่เคยให้ข้าวให้น้ําให้ที่อยู่ที่อาศัยที่รับที่นอนเครื่องนุ่งเครื่องหรมหยวดยานพาหนะแกศมณะหรือพราหมณ์มันก็หลายข้อเข้าไปแล้วนะที่นี่ เนี่ย ก, กรรมเพราะมันติดมาโน่นแหละแต่เคยทำเอาไว้มันมีตัวมีตนทําแล้วมีเราแต่ถ้าคนไหนปฏิบัติแล้วมันพ้นแล้วไม่มีเราแล้วเนี่ยไม่มีกรรมเฉยเลยทำแล้วผ่านจบเลยจบเลยจบเลยไม่กลัวกรรมเลยเพราะเจตนานี่จะทํากรรมไม่ดีไม่มีเลยขั้นสุดท้ายแล้วไม่มีมันจึงไม่มีกรรมเจตนาบริสุทธิ์หมดถ้ารู้ว่าผิดพลาดเมื่อไหร่โอ้ยยอมรับ เหมือนกันแอน่นอกเลยรับเลยยอมรับเลยจะแก้ไขถ้าไม่แก้ไขไม่ได้โอ้ยขอโทษจนบรรัญญาสุดวิสัยจริงๆคิดไม่ถึงสารภาพมันก็ไม่มีอะไรค้างคาอยู่ในจิตเพราะมันเปิดหมดแล้วไม่เหมือนบางคนอูย้ยของไม่ดีนี่เก็บไว้ไม่อยากให้ใครรู้แต่ผิดแล้วผิดอีกหมกเม็ดเอาไว้ทีน่นิมก็มาหลุมจิตที่นี่มันก็ทรมานทั้งกายทั้งจิตเนี่ยไอ้พวกความคิดเนี่ยมันทําให้กายก็แย่ด้วย จิตก็เย่ยด้วยกรรมมันก็เล่นงานอันนี้ไม่มีกรรมขายออกหมดแล้วกรรมไม่ดีไม่ทำเด็ดขาดยอมตายดีกว่าถ้าว่าไปทำกรรมไม่ดีขนาดนั้นแหละจิตน่กมันก็ไม่กลัวอะไรสิที น, นี้แล้วทำก็ทำแต่ความดีด้วยดีอยากช่วยคนอื่นทีเนี้ยอะไรก็ไม่มีแล้วมีอะไรมา ก, ก็ตานึกถึงคนอื่นเนี่ยพวกการเกิดมามีปัญญามากปัญญาน้อยก็เคยพูดเอาไว้แล้ว เราต้องไปหาสมณะหรือพราหมณ์ผู้ที่มีความรู้ผู้ที่มีคุณธรรมไปถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลเนี่ยให้รู้วิธีที่จะปฏิบัติตัวเองอะไรทำแล้วเป็นทุกข์อะไรเป็นสุขอะไรทำไปแล้วนี่ทุกข์ดับสุขตลอดกาลนานมีถามแบบเนี้ยคนนั้นมีปัญญาดีอันนี้ตามพระพุทธเจ้าส่วนไอความฉลาดในการทำหน้าที่การงานอย่างนั้นนะ พระพุทธเจ้าท่านไม่เนียกว่าปัญญาปัญญาจริงๆเป็นปัญญาเห็นปัตตลักจิตขายออกจากความยึดมั่นถือมั่นขายออกจากความลุ่มหลงคือออกจากทุกข์อ่ะปัญญาจริงๆอ่ะถ้าใครทําทำปฏิบัติแล้วทุกข์น้อยลงไปอ่ะถูกทางอ่ะทำปฏิบัติแล้วทุกข์มากขึ้นโกรธก็แรงขึ้นพยาบาทก็มากอิจฉาริษยาก็มากอ๋อนี่มันผิดทางแล้วเนี่ยอิจฉาริษยานี่ก็พวกนี้ไม่มี พวกทีมไม่มีอำนาจพูดอะไรใครไม่เชื่อนี่ก็คือคดกี้อาริษยานี่แหละเพราะเป็นคนอิจฉาคนอื่นเขาไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ถือคาพูดที่มาจากความอิจฉาริษยามันก็เสียดแทงฟังก็รู้คนไหนพูดออกมาปับ๊บเนี่ยมันปุ๊บเข้ามาในจิตละโอ้มันยังมีอยู่นี่นายังมีการแข่งขันอยู่ยังมีมานะอยู่ยังมีตัวตนอยู่ซ่อนๆ่อนอยู่แอบแอบอยู่ก็ตรงล้างมันออกไป ให้มันสะอาดให้มันหมดจดมีธรรมะว่าสูงแต่ทําไมมันยังมีอยู่ล่ะมันยังมีอยู่นี่มันยังซ่อนอยู่นั่นมันก็ไม่ก็ไม่ถูกอ่ะก็ต้องหาทางจัดการมันสิมันก็ต้องพิสูจน์กันตรงที่พฤติกรรมที่ออกมาเนี่ยมันถูกต้องไหมคําพูดคําจามันยังมีตัวตนอยู่ไหมยังมีการแข่งเปรียบเทียบซึ่งกันและกันอืยังมีไปกดก็ะคมกันไหมมันก็ยังสร้างปัญหาได้อยู่การอยู่ร่วมกันมันก็ ค้างแขงใจกันไม่ไว้วางใจกันแต่เวลาพูดธรรมะใช่ไม่มีอะไรในสมาธิเวลาพิจารณาธรรมมันผ่านไปแล้วเวลานี่ลหละเวลาแสดงออกมานี่ลหละมันก็ยังค้างอยู่เนี่ยมันยังมีอยู่อ่ะแต่เวลาพูดกับธรรมะสูงไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอาแต่เวลาแสดงออกมันมีนี่ก็แสดงมันยังอยู่อ่ะมันจับได้อยู่นี่หาใหมดไปเลยได้ไหมเกลี้ยงไปเลย คำพูดแตนคำให้มันกันกองมาเลยบริสุดหมดโจรเลยได้ไหมนี่อันนี้แหละเขาเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณเขาจึงว่าสร้างข่าราปัจจญาวิญญาณนั่งทีพอมาเกิดปั๊บตัววิญญาณที่มาเกิดนี้เวลามันจะใช้กรรมดีน่นี่กระทบปั๊บวิญญาณจะคู่วิญญาณเอาแล้วตัววิญญาณเนี่ยไปรับความรู้สึกที่มันเกิดจากทางตา ถ้ากรรมไม่ดีให้ผลก็เติบขึ้นมาแล้วเห็นสิ่งไม่ดีแล้วทีนี้เสียแทงใจแล้วเนี่ยถ้ากรรมดีให้ผลก็เป็นสุขเวทนาขึ้นมาแล้วนี่มันไปใช้กรรมวิญญาณทั้งหกแต่ตอนมามันเป็นปฏิสนธิวิญญาณมันมาเกิดมันเอากรรมมาผลของกรรมที่เคยทําอ่ะติดจิตมาพอมาอยู่ปั๊บลงอย่างลงในคันละไอ้กรรม น, นี้ก็เริ่มสร้างลูกนี้เนี่ยที่ว่า วิญญาณนังปัจญญานามะลูปังสร้างรูปสร้างนามขึ้นมาแล้วทีนี้สร้างรูปนามในรูปนามนั้นก็มีตัวที่จะมารับกรรมก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจหกช่องนี้เท่านั้นนี่ทางเข้าไปของกรรมของการใช้กรรมเนี่ยเกิดมาจริงมันจึงมีกรรมเก่าตามมาตัวปฏิสนธิวิญญาณก็เข้ามาก็กลายเป็นวิญญาณหกออกไปรับผลของกรรมเหมืนยังมีสุขมีทุกข์ ใครทำกรรมไม่ดีมากทุกขเวทนากรรมใครทํากรรมดีมามากสุ ข, ขเวทนากรรมใครเคยปฏิบัติธรรมมาเคยฟังธรรมมาครูเจ้ามาเคยปฏิบัติธรรมมาต้องมีสติรู้ทันตอนนี้มันกระทบนี้สุขก็ ร, รั่วสุขทุกข์ก็รั่วทุกข์ไม่ยึดว่มมาเป็นเราเป็นของเราทางออกทีนี่ออกแล้วที่นี่ออกแล้วไม่สร้างกรรมใหม่แล้วไม่ยินดีไม่ร้ายเป็นกลางแล้วเป็นกลางแล้วไม่มีกรรมแล้วไม่มีดีไม่มีชั่วแล้วเป็นกลางหมดแล้ว นี่ค่อยออกค่อยๆออกอะไรนั้นทีนี้มาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นกลางหมดนี่มันคลายออกแล้วทีนี้เนี่ยจะออกจากกรรมแล้วไม่สร้างกรรมใหม่เลยเป็นกลางหมดไม่สร้างกรรมใหม่เลยนี่มันยิ่งจะออกได้ถ้ามันจะนิ่งก็ต้องนิ่งพร้อมกับรู้ทั่วแบบนี้รู้เห็นว่ามันเกิดดับรู้ว่ามีเรามันยิงจะออกได้ถ้ามันพุบเข้าไปก็แสดงว่านี่แหะมันไม่รู้มันไปจมอยู่มันก็ต้องแก้ไข จึงว่าไม่ให้เข้าไปแต่ถ้าเพิ่เข้าไปก็ต้องฝึกถอยออกมาให้มันเข้าน้อยที่สุดไม่ใช่ว่าไม่เข้าเลยมีบ้างเพราะเรายัางละไม่ได้ทั้งหมดเวลากระทบอารมณ์มันก็มีสุขมีทุกข์ตามนาท้องกรรมถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญารู้ไม่ทันสุขก็อู้เราสูขพอมันสุขว่ามันอยากได้แล้วนาะทีน่นี่อยากเอาผู้หญิงก็อยากเอาผู้ชายมาทาให้ตัวเองเป็นสุข อยากได้ของใช้อยากได้นั่นได้นี่มาทาให้เรามีความสุขกลายเป็นตัณหาวิเวทนาสุขเวทนามันไม่ใช่เราสุขเราต้องเป็นรู้ว่าเป็นสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่เรามีรู้ตรงนี้เราสุขเราก็อยากให้สุขนี้อยู่ตลอดไปก็หาทางให้ตัวเองมีความสุขเห็นอะไรเราก็คิดว่าเอาได้มาแล้วมีความสุขก็อยากเอานั่นเอานี่เกิดตัณหาขึ้นมาล้วทีนี้ กันตัญหาตัวเนี้กามัตันหาเนี่ยมันต้องพระอนาคามีถึงจะละได้พระโสดาบันนี้ยังอยู่สะกิจคามีก็ยังอยู่แต่พระนาคาเห็นชัดเจนละกามัตตันหาได้การมลคะละปฏิฆะได้ก็ต้องเห็นนี่แหละเห็นมันเกิดเห็นมันดับอยู่เนี้ยไม่ยึดไม่ติดไม่ข้องตัณหานี่ห้ามไม่ได้เกิดถ้าเรารู้เท่าทานันมันก็จบเราไม่ทำตามหมดเลย ตัณหาก็เป็นของเกิดดับไม่มีตัวเรามันเป็นตัณหามันคือตัณหาอยากก็เป็นความคิดปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อจะเอารู้ทันแล้วมันจะดับไม่ถ้าใครมีสติรู้ทันก็เห็นมันเกิดเห็นมันดับก็กลายเป็นธรรมะกลายเป็นวิปัสสนาได้เพราะฉะนั้นมนถึงตัณหานี่ท่านถึงยังไม่ถึงขั้นว่าหนักใจแต่ว่ายึดแล้วทีนี้มีอุปาทานละติดแล้วติดแล้ว โอ้โหเหนียวหนุบเลยที่นี่หนาแน่นใน น, นี่ไม่เอาก็ไม่ได้ต้องพยายามนานสร้างกรรมแล้วเตรียมสร้างกรรมอีกแล้วกรรมตัวนี้แหละที่มันเจตนาจะทํากรรมเนี่ยมันจะพาไปเกิดอีกนี่มันจึงเวียนว่ายตายเกิดนนเนี่ยกาลังพูดถึงสามขั้นตอนเลยนะขั้นแรกนี่อดีตก่อนแล้วมาเกิดปัจจุบันอย่างลงสู่คันแล้วก็มีนามมาลูกออกมา ตาหูจยหมุกลิ้นกายใจรับอารมณ์รับอารมณ์แล้วก็มันมีผัสสะขึ้นมามีเวทนาขึ้นมาไม่ทันตรงเวทนาก็มีตัณหาขึ้นมานี่มาถึงตัณหานี่ถือว่าเนี่ยชีวิตปัจจุบันยิงดิ้นลนมีความอยากพอเริ่มอุปทานปับ๊บเริ่มมีทุกเริ่มมีทุกแล้วอุปทานเริ่มสร้างกรรมแล้วนั่นละ่ะกรรมนี่ละ่ะมันจะพาให้ไปเกิดละ่ะมันจึงมีภพอุปทานแล้วก็มีภพกรรมภพ นี่แหะสร้างกรรมตรงนี้ที่จะไปเกิดชาติต่อไปเพราะฉะนั้นแต่ละคนนี่มันยังมีกรรมอยู่ทุกวันเจตนาจะทํากรรมมันมีอยู่เป็นกรรมมาพบนี่อยู่ที่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วหรือพื่ออกจากกรรมเพื่อออกจากกรรมก็มาปฏิบัตินี่ออกจากกรรมกรรมดีกรรมชั่วเขาเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ถ้าเพื่อออกจากกรรมแล้วก็เอาล่ะทีนี้เบาละเริ่มเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็มาทำกรรมเพื่อออกจากกรรมก็คือมาเจริญสีฐานสี่ทำอะไรมีสติรู้สึกตัวจิตเป็นกลางทำอะไรก็รู้เท่าทันจิตก็เป็นกลางเรื่อยไปเป็นทางสายกลางกรรมก็ไม่มีพอมีสติรู้พอรู้ปับ๊บมันไม่มีตัวตนอ่ะมันสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าทำไปตามเหตุตามผลจบไปจบไปกรรมแต่ละขณะขณะจบไปกรรมดีก็รู้อ่ะ มันมีประโยชน์แล้วก็ทําไปไม่ได้ยึดก็ผ่านไปเลยก็ไม่กลัวกรรมรู้แต่ว่าจะออกจากกรรมแล้วล่ะพอไม่ยึดแล้วไม่ติดแล้วถ้าใครทํากรรมแล้ว ย, ยังยึดอยู่ยังติดอยู่ยังเก็บเอาไว้อยู่เอ้ามันก็ไปไม่ได้อีกอะอย่างที่ว่าในสมาธิอาจจะเห็นไม่มีตัวตนไม่มีเราแต่มันยังมีกรรมอยู่นี่มันยังมีเราอยู่ในเวลากระทบเวลาทำนู่นทํานี่มันก็ต้องมีกรรมแน่นอนมีกรรมเมื่อไหร่ก็ต้องไปเกิดเมื่อ น, นั้นล่ะ แม้ในสมาธิเราไปจมอยู่ในสมาธิก็เป็นกรรมขณนะนที่ปฏิบัติก็เป็นกรรมชนิดหนึ่งแต่เป็นกรรมเพื่อออกจากกรรมเนี่ยคราวนี้มันต่างจากกรรมอื่นนะกรรมอื่นทํากรรมดีเราไปยึดว่าดีเราดีผมก็พาเวียนไม่ใจเกิดเกิดดีก็ยังเวียนไม่ใจเกิดอยู่อีกอแต่ถ้าเอารู้ว่ามันมีเหตุผลมันควรทําก็ทําแล้วไม่ติดนี่เพื่อออกจากกรรมไม่มีกรรมเพราะจิตเป็นกลางกลางแล้ว มันยึงต้องประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาสารุปแล้วต้องปฏิบัติแล้วปฏิบัติก็รู้เป้าหมายเพื่อปล่อยเพื่อวางเพื่อไม่ยึดเพื่อไม่ติดเพื่อไม่คล้องก็คือทําอะไรก็ทิ้งเลยแล้วเลยทําอะไรแล้วเลยจบเลยจบเลยจบเลยทําความดีก็จบเลยทําไม่ดีก็แก้ไขให้มันจบไปเลยจบอยู่ในจิตเราไม่เอามาปรุงไม่เอามาแต่งไม่ไปยึดไปถือเห็มันก็จิตก็เป็นกลางอยู่เลยเป็นกลางหรือเบขา มึงเบกขาเลยไปแต่ไม่ใช่เป็นรับผิดชอบรับผิดชอบต้องรับผิดชอบด้วยแก้ไขทำให้มันดีขึ้นแต่ขณะที่ทำไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตเป็นกลางๆางทำแล้วปล่อยทำแล้ววางไม่มีตัวตนขครอยากเอาดีเอาไปเลยอยากได้ผลงานก็เอาไปเราทำเสร็จแล้วเขามาทำเล็กๆ น, น, น้อยๆบอกนี่ฉันทำเอาไปเลยเราเอาปล่อยวางไม่สน เราต้องการการปล่อยวางนี้เพื่อออกจากทุกข์ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าหากว่าเราเราไม่ปฏิบัติทำกรรมดีก็เราทำอีกเก็บไว้อีกไม่ดีก็เราทำอีกเก็บไว้อีกสงบก็เราสงบอีกเรามีสมาธิเรามีปัญญามีเราเราเราอยู่เมื่ อ, อไหร่เอาอีกอ่ะขาวนี้ก็ไปเกิดแล้วเนี่ยมีเรามีเรามีเราก็คือเกิดในจิตเกิดในจิตเกิดในจิตเปน็ขนขณะขณะขณะนี้หละภพชาติมันจึง ยาวนานมากเพราะมันเกิดเร็วตายปุ๊บก็ไปเอาล่างมาของล่างนั้นไปพอใจล่างนั้นบนเวียนเกิดจะเป็นคนนี่ก็พอใจเกิดเป็นคนถ้ากรรมมันพอใหจเกิดเป็นคนได้มันก็เกิดเป็นคนห้าร้อยชาติไม่ปฏิบัติธรรมไม่ไปไหนล่ะเวียนเกิดเวียนตายทํากรรมไม่ดีก็ไปอาบายาภูมิทํากรรมดีเทวดาหมดบุญจากกรรมดีก็อา้าวลงอาบายภูมิอีกเป็นมนุษย์เทวดา ใจสงบนึกถึงความสงบไปเป็นพรมอีกโอ้โหวตาสงสารนี่มันไม่มีที่สิ้นสุดยกเว้นมาปฏิบัติตามพระเจ้าจเจริญสติเข้าไ้แล้วก็มาพิจนาดูให้เห็นว่าไม่มีเราไม่มีตัวเราไม่มีตัวไม่มี ต, มมตนออกได้แน่นอนพระเจ้าก็หลุดพ้นก่อนแล้วพระองค์ก็รู้ว่ามีวิธีที่ออกก็มาสอนสาวกตามอัตยาศัยสมัยก่อนปฏิบัติหลุดพ้น สมัยนี้พระเจ้าปริณิพันไปแล้วแต่เอาธรรมะมาปฏิบัติก็หลุดพ้นได้อีกแล้วเราเป็นสาพวพระของพระเจ้าไหมเป็นแล้วจะปฏิบัติตามไหมเนี่ยสำคัญตรงนี้นาทีนี้พอผู้ปฏิบัติตามถ้าตรงถูกต้องต้องพ้นเหมือนกันออกจากกรรมได้เหมือนกันทีนี้เราก็เห็นภัยแล้วว่าโอ้ยเวียนเกิดเวียนตายมันทุกข์แล้วทุกข์อีกะชาตินี้ก็พอแล้วอ่ะมันทุกข์พอแล้วอ่ะเคยคิดว่าจะมีความสุขที่ไหนได้อ่ะโอ้ย บีบแล้วบีบอีกกับไม่ไหวแล้วบางคนก็มีเงินมีบ้านมีรถยนต์มีทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันยังทุกอยู่ถ้าใครมาปฏิบัติโอโหประเสริฐที่สุดแล้ว น, นั่นเพราะอะไรเพราะมันจะต้องเป็นออกจากทุกแล้วออกจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเขาพบทางแล้วมีอันเดียวที่ประเสริฐมีแค่นี้แหละคือปฏิบัติตามอุติยาเพื่ อ, อออกจากทุกเพราะมันรู้แล้วไม่มีทุกนี่แหละ มันสุดยอดแล้วชีวิตเนี่ยจึงว่าแก่นส า, สารสาระของชีวิตเนี่ยพระเจ้าจึงยืนยันว่าวิมุติสาราสาระของชีวิตก็คือว่าทําจิตตัวเองให้บริสุทธิ์ให้หลุดพ้นต้องอาศัยอะไรสติสตาทิปัตยา ม, มีสติเป็นอธิบดีเป็นตัวจัดแจงจัดการสมาธิประมุขาต้องมีสมาธิเป็นศูนย์รวมของธรรมทั้งหลายให้มันเข้ามาอยู่ในจิต เพื่อที่มีปัญญาเห็นแจ่มแจ้งว่าทุกสรรพสิ่งนี่เกิดแล้วดับปัญยุตราสิ่งสูงสุดเห็นว่ามันไม่มีเหาไม่มีเหล่าเนี่ยปัญญาสูงสุดก็คือไม่มีเหล่าปัญญายอดเยี่ยมปัญญาสูงสุดจากนั้นจิตก็ยังลงไปวีมุตติหลุดพ้นอมะตะคาถาไม่ตายเป็นอมะตะหมายว่าจิตเนี่ยมันไม่เกิดมันไม่เอาร่างกายมาเกิดมาแก่มาเดือมาตายอีกอะไม่กลัวความตาย ตายก็ตายไปความตายไม่ใช่เราสักแต่ว่าเป็นอมะตะก็คือตรงนี้ตรงที่ว่ามันมันไม่พุงแต่งมันสักแต่ว่าหมดเลยนิบบานะปริโยสานานิพพานเป็นปริโยสานเป็นสุดท้ายเรียกว่านิพพานนิพพานธาตุโอ้ทำมุนย่อยมันไพเลาะจริงๆนะพอจิตมันเข้าไปแล้วมันทบทวนคําพูดของมุนย่อยคำสอนมุนย่อยเนี่ย โอ้โหมันไพเลาะเพราะพิงมันหน้าลื่นลมเข้าไปแล้วจิตกำลังงับอิ่มเ อ, อิบสบายสแสดงทำไปก็สบายด้วยพ้นพูดความจริงสู่กันฟังเอาให้นั่งดูตัวเองสักพักหนึ่งนะถ้าใครอยากนั่งต่อก็นั่งไปแต่ให้จิตมันตื่นให้มันรู้ อะไรเกิดขึ้นให้มันรู้แม้แต่ตัวซึมมาก็ให้รู้ตัวที่มันจะเข้ารวังก็ให้รู้ดึงมันไว้มันจะเข้ารวังแล้วลั่งมันไว้บังคับมันไว้ผืนมันไว้ผืนไปฝืนมาสุดท้ายเราคุมมันได้อยู่ในอำนาจของเร า, เ, าเตรียมตัวนะทําความรู้สึกตัวนะ ให้ปฏบิบัติบูชาพระพุทธเจ้าสุดท้ายเลยนะบูชาสูงสุดก็คือวางเลยวางไม่เอาอะไรปล่อยวางทิ้งเลยทิ้งกายทิ้งจิตทิ้งเรื่องราวทั้งหมดแล้วแล้วไปเลยผ่านไปเลยอยากจะข้อหุสิกรรมก็ทําเองได้เลยนะตั้งมณิทานเองแผ่เมตตายองทิศบุญเองวันนี้ทาําเองบ้งนนงบาง เอาแล้ววันนี้ก็พอแค่นี้นะ